ฮะมีขึ้นเมื่อเดืนที่แล้วที่ไหนไหววันกำหนดที่จะมาแล้วนะใช้ข้าวไม่ได้ทำอะไรทำอะไรก็ไม่ได้อ๋อาว่าฮ่าฮงเด็กอืออือ่าย้ายยุ่นทั้หลวันนี้เป็นวันแรกเดือนกรกฎาคม วันที่เอ่ไหร่ะาสานที่แปดอ๋อที่สามที่แปดเป็นวันที่สิบแปดหลังจากเดินแล้วนะยังไม่กี่วันก็มาใหม่แล้ ว, หว ไ, ไหวไม่ไหวอ่ไรสักก็ขอเรืแนะนำในการเจอพระกรรมฐานอันดับแรกขอพูดตอนต้นกน่อนว่าการเจอพระกรรมฐาน มีความสำคัญเบื้องต้นคือว่าต้งระงับมีวรณห้าประการคำว่านิวรณ์แปลว่ากิเลสหยาบธรปัญญาให้ถอยหลังมีห้าอย่างหนึ่งการมาฉันทะพอใจในรูปสวยเสียงพระอรเสียงกลิ่นหอมหนึ่งกามาฉันทะพอใจในรูปสวยเสืยงพระกลิ่นหอมรสร่ยสมัมผัสระหางเพศ สงความเพียรบัดการจองล้างจองผลันสามความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านเกินไปห้าสงสัยในผลการปฏิบัติเท่านบรรดาลญาติจงพุทธบริษัททุกคนในขณะที่เจริญสมาธิหรือว่าพิจารณาวิปัสสนาญ า, ายก็ตามจงอย่าให้มีวานหประกรารนีน้เข้ามาวนใจ <c oughs> เวลาแม้นจิตจับไปเฉพาะหนึ่งเราไม่ใจเข้าออก <c oughs> เวลาให้ใจเข้ารู้ว่าไหนใจเข้าเอาเวลาให้ใจออกรู้ว่าใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้อยู่แปลว่าการที่จะบังคับจีวรในเวลาประเดี๋ยวเดียวให้มันอยู่ในขอบเขตที่เราต้องการย่อเป็นไปไม่ได้ ทางนี้พราว่าจิตของเราคบนิวรมาหลายแสนชาติเราเกิดแต่ละชาติก็เป็นทายของนิวรณทุกชาติเกิดทุกชาติมีความรักทุกชาติมีความโกรธทุกชาติมีความง่วงทุกชาติมีจิตฟุ้งซ่านทุกชาติสงสัยทุกชาติจริงไหมเคยเกิดกี่ชาติแล้วอ่า ต้องตอบร่นับไปส่วนเพราะว่าไม่จะนับให็นไหมเฮ้ยต่อมาเราคิดว่าเราจะระงับเป็นหายใน ท, ทันทีสันใดก็เป็นไม่ได้ฉะน้นเวลาเวลายยกโยงกับบริษัทขณะที่รู้ลมให้ใจเขาออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ตามเมื่อพิจารณาก็ตามมันทําได้แค่สองสามนาที <c oughs> แล้วจิตก็ขึ้นไปสู่อารมณ์อื่นคิดถึงอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกการเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปโทษใจจิตของเราเร็วเกินไปต้องถือว่ามันเป็นของธรรมดาเราก็เริ่มต้นใหม่คำว่านิวรน์ท่าแบบการนี้ถ่าบรรดาเพภุบริษัทยังปฏิบัติอยู่ในฌานโลตีก็ดี ถือเป็นพระอริยเจ้ายังไม่ถึงบ้านาคามมีก็ดีไม่ก็ยังไม่พ้นไปจากใจของเราถ้าถึงถ้านาคามีจะทำลายได้สองตัวคือหนึ่งความรักสองความโกรธก็ยังหลืออีสามอีสามนี่จะทำลายได้ต่อเมื่อถึงอรหรันถ้ายังไม่ถึงอรหันเพียงใดก็อีสามตัวยังไม่หมด ถ้านาคามีกระดัมรรคก็จะมีอุตจักรายอวิชชาเรื่อการทำสมาธิทำอะไรจะเป็นสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจเราตั้งใจอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งขณะนั้นจิตตั้งใจเราเฉพาะจุดนั้นถือเป็นสมาธิอย่างสมมติว่าบรรดาตัพุปวิสัตตั้งใจรู้ลมห้ใจเข้าให้ใจออก รู้คำภาวนารู้การพิจารณาขณะใดที่รู้อยู่รู้ลมเข้าก็ดีรู้ลมออกก็ดีขณะนั้นเื่อจิตว่างจากนิร์วอนหรือถ้ายัางรู้คำภาวนาอยู่ก็เปว่าจิตว่างจากนิร์วอ น, นวันกับพราก็ต้องต่อสู้กันไปอย่างนี้เจนกว่าจะเข้าถึงระดับฌานเมื่อเข้าถึงฌานแล้วมันก็ยังไม่ตาย แตเพียงว่ารครับโชคคราวนี่การเจริญสมาธิของบรรดาท่านผู้บริษัทก็ขอย้อนต้นนะถ้าคนเก่าที่รู้แล้วขอภายด้วยอาจจะลืมก็ได้เมื่อไงการเจริญสมาธิสมาธิมีสามขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่านิกาสมาธินั่นหมายความว่าทรงอารมณ์ได้โชคคราวประเดี๋ยวเดียว อย่างนึกถึงลมหายใจเข้านึกถึงลมหายใจออกนึกถึงคำภาวนาแล้พิจรารณาได้ไปเดี๋ยวเดียวจิตก็เริ่มฟุ้งซ่านเมื่อเราเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ไปเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่แล้วเราก็เริ่มต้นใหม่สลับกันไปอย่างนี้จะเรีกว่าขณิกาสมาธิ <c oughs> การที่จะเดิถึงคณิกาสมาธิก็ขอบนุญาตเปนพุทบริษัท จงอย่าคิดว่าเราไม่ได้อะไรเลยได้แน่คานิการสมาธินี่เป็นเทวดาก็ได้เป็นพุทธเทวดาก็ได้เป็นลุ ก, กเทวดาก็ได้สามารถไปสวรรค์ได้ <c oughs> ต่อมาในขั้นในสองถึงอุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธินิจเข้าถึงปีติเื็นสุขทั้งสมรการ จัดว่าไปสมาธิทำกรรมระหว่างชายกับโลกีกับกสิปกติแต่ว่าในในมดิจิตขึงอุปจารสมาธิจิตเริ่มเป็นทิศเพราะจิตร้านกะจเล็กน้อยแต่ว่าต้องระวังร่ า, ากายของผู้ติดจริงมีห้าอย่างหนึ่งขนพองสยองกล้าวเดี๋วอวภาวนาไปก็ตามคนลุกสูโซซาโซซาตามตัวเรครับมาหยุดมันก็มาหยุด อย่างนี้เป็นอาการเบื้องต้นของปีติข้อที่หนึ่ง <c oughs> ปีติข้อที่สองน้าตาไหลปฏิบัติไปปฏิบัติไปน้า ต, ตามันเริ่มไหลไม่ใช่ร้องไห้ไม่ใช่เสียใจมันจะไหลเองมันจะมีอาการสูงขึ้นบางคนบางทีก็าพูดอะไรชอบใจน้าตาก็ไหลยอย่างนี้เป็นอาการของปีติที่สอง อาการปีติที่สามคือตัวโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปโยกข้างหน้าโยกข้างหลังมันโยกแต่ว่าจิตใจสบายจิตใจเอึดอิ่มอย่างนี้แบบกายปีติที่สามปีติที่สี่จะมีากายแค่ต้นเหมือนปลุกพระแล้วตัวลอยบนอากาศปีติตัวที่ห้ามีาการซาบซ่านหมายความตัวรู้สึกเศร้าอะไรตัว เมือยกับลมออกจากตัวอย่างแรงมากที่สุดจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกมีร่างกาย้รู้สึกหน้าตาใหญ่โตขึ้นมากจิตใจสบายมางอันนี้นเป็นปีติตัวที่ห <c oughs> ้าแค่อาการเขาปีติทั้งหมดธรรมดาญาติโยมบริสุทธ์ต้องรู้ต้องมีความเข้าใจขณะที่มันเกิดขึ้นเราจะไปยุ่งกับมัน มันจะขนลุกก็จะระตาไหลร่างกายโยคกคร้งไห้กตามใจปล่อยมันเวลานั้นจิตใจจะสบายมากแต่ว่าถ้าจิตเข้าผ่านเลยไปแล้วอาการนั้นมันก็หายไปเมื่ออารม์ผ่านนั่นเป็นขณะนขณะที่จิตเข้าถึงอุปจารสมาธิในตอนนี้จิตเริ่มเป็นทิพย์เล็กน้อยบางคนหลายคนจะมีการเห็นภาพ เห็นภาพแวบเดียวภาพก็หายไปความจริงภาพมันจหายมาเห็นภาพปั๊บจิตตกจิตตกใจตกใจติดเคลื่อนจากสมาธิจิตมืดภาพมันจะหายแล้วจิตมันมืดตรงไม่เห็น <c oughs> <c oughs> ก็จงอย่าสนใจในสมาธิในในภาพเกินไปมันจะเกิดก็เกิดได้เกิดก็แล้วไปถ้ามันเกิดจากภาพไว้ก็ดี ถ้ามาหายไปก็อย่าสนใจหลังจากนั้นสมาธิขั้นที่สามที่เรียกว่าไม่กวนคจิตกสมาธิอุจารสมาธิอัปน้ำาเมสมาธิคาว่าอัปน้ำาสมาธิสมาธิฌานสมาบัติคาว่าฌานนโ้นเรีรกฌานมีสี่ขั้น ไอ้ชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เฉพาะชาตที่หนึ่งเมื่อจิตเข้าถึงชาตที่หนึ่งจะมีจิตเป็นสุขไม่มีความอบอิ่มมากจิตจะมีการทรงตัวแต่ถ้าได้ใหม่ๆจะทรงตัวไม่นานเพเดี๋ยวก็จิตจะเคลื่อนถ้าการที่เราจะสังเกตว่าจิตจะถึงชาตที่หนึ่งหรือยังก็สังเกตที่หู ผูเราดินเสียงทุกอย่างเสียงคนพูดเสียงร้องเพลงเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงทุกอย่างดีนชัดเจนหมดแต่ว่าจิตไม่ดําคาญในเสียงอย่างนี้จึรถือว่าจิตเข้าถึงปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งในการที่เขา้านิจฌานที่หนึ่งนี่จะแสดงว่าขณะที่จิตเขาทรงตัวอยู่ดีนเสียงไม่ดังคัญแสดงเราเริ่มชนะมีบอลห้าประการโช ค, คราภ <c oughs> ในช่วง น, นั้นมีวันท่าอายการจะไม่รบกวนใจมันรบกวนไม่ได้เพราะจิตไม่รับไม่ยอรับทราบแต่ว่าจะทรงไม่นานถ้าจะจิตทรงตัว น, น, นานต้องเริ่มฝึกการนาปาโนสติลงให้ใจเข้าออกพยายามบั ง, บงคับกำลังใจให้รู้ลงให้ใจเข้าลงให้ใจออกให้นานที่สุดใหม่ๆ ม, มันก็ไม่นานนักเดี๋ยวมันก็เคลื่อน ถ้าฝึกบ่อยๆมันจะมีการเคยชินมันอาจจะทรงได้เวลาสักห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างยี่สนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างพึ้นแล้จากันฝึกตอนนี้มาเข้าถึงฌานที่สองฌานที่สองจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงลมหายใจมีปกติแต่มันไม่รู้สึ ก, กว่าเบาสแสดงว่าจิตกับประสาทเริ่มแยกตัวกัน <c oughs> ตั้งใ่ชานที่หนึ่งมาจิตตัวศาสตร์เริ่มแยกตัวกันแต่แยกน้อยพอชานที่สองแยกมาไกลหน่อยหนึ่งร่างกายให้ใจตามปกติแต่ว่าจิตจะมีความรู้สึกลมหายใจเบาลงเวลานั้นจิตจะตัดอารมณ์สองอย่างคือว่าลมหายใจเข้าออก กออมเดีย ว, วกันนะชานที่หนึ่งมีองค์ห้าพระวิตกวิจาร์ปีติสุขเ อ, อกาตาวิตกมาึรว่บา ก, การนึกว่าเราจะภาวนานึกว่าจะรู้ลมหายใจเขาออกวิจารรู้อยู่ว่าการภาวนาถูกต้องไหมลมเขาออกถูกต้องไหมปั่นมาก็ปีติความอิ่มใจข้อที่สี่ต้องมีความสุขใจ ขอที่ห้าจิตเอเป็นเอกตาตอารมณ์ทรงอารมณ์เป็นหนึ่งพอจิตเข้าถึงฌานอีสองจะตัดอารมณ์สองอย่างคือวิตกกับวิจาร์ตอนเี่นในขณะทีบ่บรรดาายิาโยมพุทธบริษัทดำรงฌานที่หนึ่งอยู่จิตจะเริ่มมาอียดลงจะไปสมาธิมากขึ้นจนกระทั่งมีความรู้สึกน้อยลงไปทุกทีในที่สุดจะไม่รู้ว่าเราหายใจ เพื่อภาวนาขอโทษเขา ใ, ใจอย่างรู้นะจะตัดคำโมราณคือวิตวิจาร์ทิ้งไปมันเจินร้อสามตัปปิติสุเอเอสุเ อ, เอกราตตาการตัดวิตวิจาร์ทิ้งไปมีบรรดาท่านนงหลายหลายคนที่ปฏิบัติกันมาเ <c oughs> มื่ออาตมาเองก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกัน เมื่อวิตกวิจารหายไปสักครู่หนึ่งจิตก็ถอยหลังมหาฌานที่หนึ่งเมื่อรู้สึกตัวมาคิดว่าเราหลับเพราะไม่เด็กภาวนาเพระาาความยินเวลานั้นสมาธิมันตัดเองจิตจะมีความสุขยิ่งขึ้นพอจิตเข้าถึงฌานที่สามจิตจะตัดโตปีติคือความอิ่มใจออกไปเมือได้สุกเอเกตตาสองอย่าง ตอนนี้ว่าจิตเข้าถึงฌานที่สามทุกท่านจะมีความรู้สึกว่าลมหายใจมันน้อยเป็นทีเบามากหูได้ยินเสียงข้างนอกไม่ชัดเจนนัก <c oughs> ยังรู้เรื่องแต่เสียงดังกลายเป็นเสียงเบาถ้ามีกายเครียดจะค่อยครายความมัดเราเราตัวตตึงเป็นกางมีการเครียดร่รดร า, รา ง, งากายการทรงแบบไหนจะ ท, ทรงแบบนั้นจะไม่มีการเคลื่อนไหว จิตจะมีความสุขมากวันนี้แบบกายของชันที่สามเพราะจิตเข้าถึงชานที่สี่จะตัดความรู้สึกทางตัดสุขออกไปโดยตั เ, เอกกักตาเพื่ออเดขาเข้ามาคำว่าเอกก็กตาจะหมายความอารมณ์หมายควาอารมณ์เป็นหนึ่งจิตจะทรงตัวเฉพาะ ล้าพิ่เรือขาด้วยความวางเฉยเข้ามา <c oughs> ตอนนี้ถ้าเราจะสังเกตว่าจิตเข้าสัญชานิสี่หร อ, อย่างก็จะมีความรู้สึกว่าจะไม่รู้สึกว่าลมหายใจเขาออกม่ในเราตอนนี้จิตตั ต, ตาแตกกันกนขาดจิตแยกจากประสาทไปยอมรู้สึกทางร่างกายเอสกตารมีอารมณ์เฉย แล้วเวลาติดเข้าชานที่สี่หูจะไม่ได้ยินเสียงไม่แตาเสียงดังแสนเสียงดังขนาดไหนก็ตามจะไม่ดีเลยอย่งก็เปิดขยายเสียงดังมาตั้งไกลๆหูจะไม่ได้เสียงอันนี้เป็นชานทสี่ถ้าที่พูดมันนี่ก็เพื่อพูดให้เพื่อทราบวก็มีหลายท่านเหมือนกันที่มีความสงสัย บองทีคนลุกฟองเสียงกล้าวบ้างน้ำตาไหลบ้างร่างกายโยกคล้งบ้างเป็นต้นก็สงสัยว่ามันเป็นอะไรอันนี้ยังไม่ต้องศึกษาต้องรู้ไว้ว่าการเจริญสมาธิร่างกายจะเป็นยังไงจะเป็นเรื่องของมัน <c oughs> เราไม่ต้องสนใจสนใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขมันจะถึงชานที่หนึ่งที่สอง ท, ที่สามที่สี่หรือไม่ว่าการใจมันจะสนใจมัน สนใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขไม่สนใจนิวท่านอี่ใช้ได้อันนี้เป็นการเริ่มต้นครังเวลาจำพษษุทบริ ษ, ษัทในตอนแรกนะนี่ต่อไปก็พูดตอนท้ายมีไหมพจนิยม ล, ลงท้ายเลยนะเพราะอะไรนะม้าความจริงแค่ปาโสดาบังกะสกิทาคามี น, น, น, น, น, นีจิตเราทรงแค่ปฐมชัยก็สา ม, มารถเป็นได้ ไม่ต้องถึงฌานสี่คำว่าปฐมชายหมายความว่าจิตไม่ํำคาญในเสียงหูได้ยินเสียงชัดเจนแจ่มใสแต่จิตไม่ลำคาญอันนี้คือปฐมชานทพระเจ้ทรงไม่ได้นายก็ตามก็สามารถเป็นปะโสดาสุริธาคามีได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าปะโสดาบันก็ดีถ้าสริธาคามีก็ดี ทั้สองขั้นมีนมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธิ์แม้การเจริญวัคคามัยขบถดาจนพุทบริสุท์ทุกคนให้มุ่งความเป็นพระอาาริยเจ้าจงอยา่าทางคิดว่าเราจะเป็นแค่กุศลอย่ญญางเดียวยกว่าเป็นบุญอย่างเดียวอย่างนี้ก็ดีแต่ว่มามันดีน้อยไปเพราะทวว่าถ้ายังไม่เป็นพระอาาริเอยเจ้าเพียงใด เราก็ยงังเป็นเหยื่อของอบายภูมเพียงนั้นยังไม่พ้นอบายคูมถ้าเราเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปขื้นมาบาปทั้งหมดที่ทํามาแล้วทุกอย่างจะไม่มีโอกาสให้ผลเมื่อเราตายถ้าโสดาบันลงนรกไม่ได้ถ้าจับลงนรกเมื่อไหร่นรกไฟดับเมื่อนั้น สิ่กายงานทุกอย่างของโกต้นหยุดหมดพระอาริยเจ้าลงนรกไม่ได้ <c oughs> ถ้าโสดาบันก็มีทางเดียวคืออย่างต่ําไปเกิดบนสวรรค์ไม่ผอ ม, มโลกแต่ว่าถ้าก่อนจะตายทุกคนถ้าไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกไว้เสมอว่าร่างกายของเรามันเป็นของอดีมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความแปรปรวนกำกลางมีการสายตัวบั็นลิสุดถ้าเกิดอีกกี่ชาติก็จะมีสภาพแบบนี้ร่างกายอย่างนี้เราจะมีเฉพาะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปจะไม่เกิดให้มันมีอีกคิดไม่ยินเสมอเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานตั้งใจไว้นี้โดยเฉพาะถ้าก็ดขึ้นก็มาหาอารมณ์ของพระโสดาบันอาการของพระโสดาบันมีสามอย่าง เรียกว่าสัญญอดแปวกิเลสเป็นเรื่องลอยรัตเสหนึ่งส ก, กายยทิฏฐิสองวิปปิชชาสามสัญญาปตปราม า, มาสกกามคำว่าสกายทิฏฐิแทนแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในอ่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ว่าพระสโสดาบาันพระเจ้าของอินเดียนว่ามีสมาธิเล็กน้อย นี่ปัญญาเล็กน้อยแต่ไม่ชินไม่สุดฉันปัญญาของพระโสดาบันยังไม่ถึงข้อนี้ยังไม่ถึงขานนี้ก็จะมีความรู้สึกร่างกายนี้มันจะต้องตายในเมื่อความเกิดมีขึ้นต่อไปความตายมันก็มีความตายจะมีกับเราเมื่ อ, อไหร่นี่เราไม่ทราบแต่มันต้องตายกันแน่เราต้องระวังร่างกายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หมายความว่าจะไม่จะไม่มีความรู้สึกว่าชีวิตจะอยู่ต่อกาลต่อดสมัยมันต้องตายกันแน่ไม่เป็นมาดในเมื่อรู้ว่าเราจะต้องตายเราก็สร้างความดีเขไว้ขึ้อหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอาริยสงฆ์นี่เป็นข้อที่สองเท่านั้โสดาบัน เพื่ข้อที่สาสก็มีสินไม่สุดชินห้ามีอีกข้อหนึ่งฆ่าสัตว์สองลักสัตว์สามประพฤติผิดในการมสี่มุสาวาตห้าดินธราเมไรัทั้งหมดนี่เราไม่ทำเราค่อยค่อยคิดค่อยๆยตัดทำไม่วันเล็กวันน้อยก่อนจะหลับคิดอย่างนี้ไปเสมอๆก่อนว่าเราจะไม่เกิดต่อไปเราจะไปนิพพาน เราจะยาวนักนาถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราจะมีศีลบริสุทธิ์ศีลนี้ห้าข้อไหลไปมีเท่าไหร่นมีอะไรบ้างเมื่อตืนใหม่ๆก็คิดอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ทุกวันบรรดาชนบริษสัตย์ไม่เกินสามเดือนท่านจะเป็นพระอริยเจ้าคันปโสดาบันเป็นขอไม่ยาก ถ้าถ้าจิคิดอยู่เส ม, มอเออมันก็ระวังมันจะไม่ไม่ยอมทํ า, ทาความชั่วอันนี้พระโสดาบันนี่มีสามขัน้นขั้นที่หนึ่งอย่างหยากเขาเรียกว่าสตากัดตรงขั้นที่สองอย่าง ก, กลางเรียกโกลังโกละขั้นที่สามอย่างละเอียดเรียกวเอกวิชีขั้นที่หนึ่งอย่างหยากคุณนั่นหมายความว่าทักษาสิบห้าบริสุทธ แต่ว่ายังบกพร่องในกำหนดสิทกิ์มบทสิทธิ์อะไรบ้างหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ทางกายสองไม่ลกักรัตวสามไม่รู้จิในกามและทางวาจาหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคําหยาบสามไม่พูดต่อเสียดสีไม่พูดเพ้อเจือเหลวไหลทางด้านจิตใจไม่อยากได้สรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำ ไม่จองล้างจองผายไขมีความเห็นผูกมาที่ความมีความรู้สึกใหม่อริยรสัจตานที่เจ้าทรงสรรรรรรรังสอนอันนี้โอ้ดีกักบบทสิทิถ้าต่อไปเมื่อนึกษาละเอียดพอติดก็ก้าไปหากรรมบสิบถ้าสามารถทรงกรรมบทสิบไม่ได้แต่ว่าบางครั้งอาจจะมีการย่อหย่อนอยู่บ้างจะไม่ถ้งขาด อย่างนี้ที่จะบอกโสดาบันที่จะโกรังโกระซาตากตุงนั่นต้องเกิดอีกจะชาติที่จะเป็นอราหันต์โกลังโกระจะเกิดอีกสามชาติเป็นอราหารันต์ต่อไปก็กขั้นเอกวิชีขั้นเอกวิชีนี่มีสมาธิมั่นคงขึ้นหิลห้าก็คบท่ว น, บ น, บนกบสุขท่วนมีแรงเคร่งขัดมาก มีการทรงตัวได้ดีทั้งสินท้งอมาหมดสิทธิมีจิตต้องการพันิยพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกเอกภพชีจะเกิดอิชาติเดียวไปนิพพานฉนันขออนาญาตโยมพุทธบริษัททุกท่านการเจริญพระกรรมฐานของทุกคนจงอย่าคิดว่าเราจะทำเพื่อเอาบุญอย่างเดียว ความจริงเราเอาบุญแม่นก็จะเอาให้มากเอาเป็นกอดเป็นกรรมเป็นร่ำเป็นสัน <c oughs> อย่าสักแต่ว่าเพิ่งได้บุญเล็กน้อยก็พอเพียงเท่านี้มันจะเป็นเหยื่อของอาบายาปุมม่มเป็นของไม่ดี <c oughs> ต้องตั้งใจนับแรกต้องตั้งใจเพื่อประสดาิบันและขั้นสุดท้ายตัดสินใจว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา ในการเกิดที่มีชีวิตอย่างนี้โลกมนุก็ดีเทวโลกก็ดีพมโลกก็ดีไม่เป็นที่ต้องการของเราเราต้องการนิพพานจุดเดียวถ้าจิตของท่านคิดอย่างนี้ทุกวันก่อนจะตายก่อนจะหลับนะยังยังไม่ถึงตายเอาหลับก่อนเอาตายเล็กก่อนแทนนันนึงตายใหญ่ก่อนจะหลับที้สะทึงหมอน ตั้งใจนึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายถ้ายอมรับรักถผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเนใจเราจะมีสิ่งเก่ากำ ม, มัดสก็เพิ่มบฏิบูรณ์แล้วคิดต่อไปว่าถ้าร่คางกายของเราตายเมื่อไรเครื่องที่ว่าความเกิดนรกสุรโลกเทวโลกภพโลกจะไม่มีสำหรับเร า, าเราต้องการนิพพานคิดอย่างนี้เป็นโบติอารมณ์จะชิน ต่อไปก็เป็นอารมณ์ฌาอนอนายเข้าพอที่สาธุชนปั๊บไม่ต้องมาคับมันญคิดทันทีอันนี้เรียกว่เป็นฌานถ้าอย่างนี้บรรดาเป็นพุทธบริษัททุกท่านก่อนจะตายทุกคนจะเข้าถึงนิพพานทันทีทั้งนี้เพราะอะไรพราะว่าขณะที่ก่อนจะตายทุกคนจำเข้างำ ม, มากมันจะตัดอารมณ์ของกิเลสทั้งหมด ขึ้นหนึ่งความรักในระหว่ังเพศมันจะไม่มีในเรามันมีแต่ทุกข์โหยกนาแล้วการที่สองความรมีบาตรจองและอันจองผานใครจะไม่มีเพรปว่วยเหยียนั่นจะไปฆ่าเราใครเขาแล้วการที่สามความหลงในร่างกายไม่มีในเรื่ออารมณ์ทั้งสามอย่างมันมีเวลานั้นอารมณ์นิพพานก็เขาเ้าแทรกขันที เมื่ออารมณ์ปานิพันธ์เขาแทรกจิตต้องการจะผ่านตายเมื่อไรปรนิพันมานั้นอริยบรรดาลจะพูดไว้จัดทุกท่านเวลานี้ก็หมดเวลาต่อไปขอามบรรดาลจหไหยตั้งใจจมาทางสินสทมาแรงไม่มาา